พวกเราเยอะนะมาเป็นแน่นๆทุกวันมาเรียนแล้วต้องเอาไปทำนะปฏิบัติไม่ใช่มาเพื่อจะมาดูหลวงพ่อมาดูหลวงพ่อไม่มีประโยชน์เลยไม่ใช่ดาราถ้ามาแล้วมาฟังทำมาหาวิธีเอาไปปฏิบัติก็ดีก็โมทนากับพวกเราทั้งอกตั้งใจเรียนดี บางคนมันไม่ตั้งใจนะ้ามาฟังหลวงพ่อไม่มาเองส่วนใหญอ่านหนังสือฟังซีดีเลยเอาไปนั่งเถียงเถียงกันไม่ประโยชน์เลยธรรมะเอาไว้เพื่อขัดเกลาตัวเองให้มันพ้นกิเลสพ้นทุกข์ไม่ใช่เอาไว้เถียงกันทะเลาะกันพวกเรียนธรรมะชอบเถียงกันยิ่งเรียนเยอะยิ่งเถียงเยอะเสียเวลาตัววันนี้เนื่อยหน่วยโยมเยอะ สังเกตใจเราการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองสังเกตใจเราถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่นะกิเลสก็แอบเข้ามาอยู่ในใจเราพอเรามีสตินะใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมากิเลสก็เข้ามาไม่ได้กิเลสเหมือนผีเจอแสงสว่างแล้วผีไม่ไม่อารวาสอย่างเนี้ย อันนี้เป็นความเชื่อของคนทั่วไปนะความจริงทั้งวันทั้งคืนผีมีอยู่ทั้งนั้นแหละแต่พกลางวันแล้วเราไม่กลัวเราก็เล้บอกผีกลัวแสงสว่างความจริงเรากลัวความมืดไม่ใช่ผีกลัวแสงสว่างกลับข้างกันเราไปโทษใส่ผีกิเลสเหมือนผีนะพูดสำนวนแบบชาวโลกถ้าใจเรามืดมนะเมื่อไหร่นะกิเลสก็เข้ามาาหลอกเรานะหลอกให้เป็นบ้าคลั่งบ้างนี่โทสะ เราให้เราเลิดเปลินทำโน้นนี้ไปนะหลงเพลินเพลินไปก็เป็นราคะตรงที่มันเข้ามานั้นมันมืดมืดมัวมัวดูสภาวะอะไรไม่ออกก็เป็นโมหะกิเลสมันแอบเข้ามาที่เผลอเวลาใจเรามืดมืดมัวมัวงเราค่อยๆฝึกสติรู้สึกตัวขึ้นมานะคอยรู้ทันกิเลสแอบเข้ามาในใจเรารู้ทันกิเลสแอบเข้ามาค่อยรู้ทัน ฝึ อ, อย่างนี้บ่อยๆถ้าไปกิเลสไม่มีบ้านอยู่มันก็ไปอยู่กับคนอื่นไม่มาอยู่กับเราละมันไม่ยากอะไรหรอกคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้ทันอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจคอยรู้ทันอะไรแปลกปลอมเข้ามาคอยรู้ทันกิเลสมันชอบตามหลังความคิดมาตามหลังความคิดคิดเรื่องนี้แล้วก็โกรธคิดเรื่องนี้แล้วโลภตอนที่กาลังคิดอยู่ก็หลงอยู่ งั้นถ้าเรามีสตินะใจไหลไปคิดเรารู้ปับ๊บใจไหลไปคิดเรารู้ปับ๊บไม่ได้ห้ามนะสติเกิดเองรู้ขึ้นมาเองนะใจอย่ารู้ตื่นเบิกบานสบายกิเลสตามหลังเวทนามามตามหลังหลายตัวนะอย่างเวลาเรามีความสุขขึ้นมาเนี่ยราคามากกักเกลียแทรกงั้นถ้าเรามีความสุขขึ้นมาเรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังมีความสุขราคาก็แทรกไม่ได้ ถ้ารู้ไม่ทันมนะันมีความสุขแล้วเพลินไปปุ๊ราคาจะแทรกเลยนะมีความทุกข์ขึ้นมาโทสะก็แทรกนะไม่ชัดเจนว่าสุขหรือทุกขนะ์โมหะก็แทรกลืมเนื้อลืมตัวไปหลงหลงเพลินเพลินไปกิเลนเล่นที่เพลิดังนั้นแหละถ้าเรารู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันได้กิเลนมาไม่ได้นะมีสติอยู่รู้สภาวะที่กาลังเกิดความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทัน จิตฟุ้งซ่านใจลอยไปคิดโน้นคิด น, น, ดนี่รู้ทันคอยรู้บ่อยๆถ้ารู้เรว็วนะกิเลสเกิดได้สั้นถ้ารู้ช้ากิเลสก็อยู่นานจะไม่ให้มีกิเลสเลยได้ไั้มไม่ได้ไม่ใช่ภูมิจิตภูมิธรรมของเราของเรายังต้องมีกิเลสอยู่เราก็มีหน้าที่ดูเราไปเรื่อยๆคนที่ไม่ดูตัวเอง เวลากิเลสเกิดนะั้นมันก็ไประบาดความชั่วร้าย ใ, ใส่คนอื่นถ้าใคอยดูตัวเองอยู่ว่าไม่ระบาดไปที่คนอื่นนะกิเลสเกิดในใจเรามีสติรู้ทัน้็นหายไปจิตใจก็สบายแต่เราไม่ได้พ า, าวนาเอาสบายนะอันนี้แค่เรามีสติขึ้นมากิเลสเกิดเรารู้ทันใจก็พ้นจากกิเลสล้วก็สบายเป็นช่วครั้งช่วคราวอันนี้เป็นแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าชัา่วคราวเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจให้มากๆ ถ้ารู้กายรู้ใจมากๆต่อไปไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจนะเห็นเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้นะรากเง่าของกิเลสถึงจะตายคืออวิชชาถึงจะตายได้ถ้าเรายังเห็นกายเห็นใจเป็นของดีของวิเศษเนี่ยยังรักกายรักใจอยู่รักว่ามีตัวเราอยู่เนะี่เรียกว่ามีอวิชชามีอวิชชารักกายรักใจว่าเป็นตัวเรานะยึดถืออยู่ ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่เห็นว่าเป็นตัวทุกข์เนื่องจ า, ามีอวิชชาพอมีอวิชชามันก็จะเกิดกิเลสตัวหนึ่งตามมาเกิดตัณหาอยากโน้อนอยากนี้ขึ้นมาแทรกขึ้นมาเยอะแยะกิเลสทํางานได้อีกเยอะแยะเลยแลงนั้นอวิชชามันเหมือนรากแก้วของกิเลสโลคหลอดหลงอะไรพวกนี้ พ, น พ, นพื้นพื้นพวกนี้ฟุ้งซ่านหดหูลังเลอะไรพวกนี้ซึมเศร้าอะไรพวกนี้พวกนี้คล้ายๆรากฝอยมัน ต, ต, ой, ต, ต, ต, let, ตัวเล็กตัวน้อยกิเลสตัวเล็กตัวน้อยเรามีสติปุ๊บนี่กิเลสตัวเล็กตัวน้อยที่เกิดในใจเราขาดสะบั้นเลยเช Belgian, ่น well. ค, ความโกรธเกิดขึ้นนะพอเรามีสติปุ๊บน่ความโกรธก็ดับทันทีความโลภเกิดขึ้นพอเรามีสติปุ๊บความโลภก็ดับทันทีนี่มันเหมือนรากฝอยของมันถ้ารากแก้วยังไม่ถูกทําลายนะเดี๋ยวมันก็งอกรากฝอยม่อีกนี่วิธีทาลายรากแก้วของกิเลส ก็คือต้องมารู้กายรู้ใจหัวหน้ากิเลสที่เป็นรากแก้วของกิเลสจริงๆคืออวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจสีไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้กายรู้ใจกายกใจเป็นตัวทุกข์สังเกตดูถ้าทุกข์ไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจถ้ากายไม่ทุกข์ใจก็ทุกข์ก็มีทุกข์อยู่สองอันเองที่กายที่ใจนี้ ทุกให้รู้เพราะงั้นให้เราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจถ้ารู้จนแจ้งนะเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ได้สมุทัยก็จะถูกละคืออัตโนมัติความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกมันมีความอยากขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันไม่รู้ทุกข์ถ้ามันเห็นความจริงนะกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างความอยากให้กายเป็นสุขความอยากให้ใจเป็นสุขก็จะไม่มีความอยากให้กายพ้นทุกข์ความอยากให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มี ไม่มีความอยากขึ้นมาเมื่อใจไม่มีความอยากนะั้นนิโรธก็แจ้งขึ้นมาว่านิโรธคือนิพพานเนี่ยคือความสิ้นตันหาสิ้นความอยากเมื่อไหรใจเราปราศจากความอยากนะั้นเราก็สัมผัสกับ น, นิพพานนิโรธแจ้งขึ้นมาการที่เราคอยรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจจนละสมุทยัยจนแจ้งนิโรธแจ้งนิพพานนี้แหละรเรียกว่ามัจย์ก็มีมสติรู้กายรู้ใจไปให้มากศีลรักษาไว้นะ รักษาศีลไว้แล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจไปสมาธิปัญญาเมื่ค่อยงอกงามขึ้นมาปัญญาแจ้งขึ้นมานะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้แจ้งอริยสัจจะเรียกว่าวิชาก็ได้เมื่อไหร่รู้แจ้งอริยสัจนะรู้แจ้งในความจริงของกายของใจเต็มที่ก็ทำํำลายรากแก้วของกิเลสทําลายอวิชชาได้ ทำลายวิชาได้แล้วก็ไม่มีรากแก้วแล้วไม่ต้องพูดถึงรากฝอยแล้วเดี๋ยวต้นไม้ก็ตายแล้วล้มแล้วโคนล้มไปเลยนี่วันนี้ยังทำลายรากแก้วไม่ได้นะคอยรู้รากฝอยไปก่อนกิเลสเกิดแล้วรู้ทันกิเลสเกิดแล้วรู้ทันรู้อย่างนี้เรื่อยๆพอจิตใจรู้ตื่นขึ้นมาพอรู้ทันกิเลสแล้วใจเราจะรู้ใจเราจะตื่นใจเราเบิกบานขึ้นมาใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ค่อยรู้กายคอยรู้ใจไป วันใดรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะว่าเป็นตัวทุกข์ทำลายรักแก้วของกิเลสไปก็หมดทุระในศาสนาพุทธนั้นแหละหมดทุระตรงที่พ้นทุกข์นั่นแหละความทุกข์กระใจแยกขาดออกจากกันนะไม่มาสัมผัสกันอีกละพวกเรามีบุญนะพวกเรายัางได้ทันได้ฟังธรรมะมีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ได้คนส่วนใหญ่เขาไม่รู้วิธีเลย อยู่กับโลกก็อยู่กันไปวันๆหนึ่งตอนเด็กก็ไปเรียนหนังสือเด็กสมัยหลวงพ่อเรียนแล้วยังมีเวลาพักนะพอปิดเทอมจีเราก็ไปเที่ยวเล่นได้สนได้เดี๋ยวนี้ไม่เด็กไม่มีเวลาพักเลยเรียนในโรงเรียนก็นั่งหลับๆตื่นๆไปมันเหนื่อยตกเย็นก็ไปเรียนพิเศษตอนนี้ตาโตขึ้นหน่อยปิดเทอมก็เรียนพิเศษอเรียนพิเศษตลอดเลยหลวงพ่อไม่เห็นว่าคนยุคนี้มันจะพิเศษตรงไหนเลย มันเรียนพิเศษมากมายมีแต่ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นนะในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มากมายเหลือเกินนี่เราค่อยๆฝึกของเรานะฝึกให้ดีมีสติรู้ลงในกายมีสติรู้ลงในใจทันทีที่มีสติรู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏนะใจก็รู้ตื่นเบิกบานสว่างสวัยขึ้นมาก็าว่างจากกิเลสได้ชั่วคราว เอาใจที่สบายสว่างสวัยเนี่ยมันคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเนี่ยมันเกิดปัญญาจะเห็นความจริงของกายของใจฝึกอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งก็พ้นทุกฝึกได้นิดหน่อยก็พ้นนิดหน่อยนะฝึกได้เยอะก็พ้นเยอะยุติธรรมที่สุดเลยไม่ฝึกก็ไม่พ้นหรอก ย, ยังธรรมะยุติธรรมที่สุดใครทำใครได้ทําถูกนะทําผิดไม่ได้ะแล้วนั่งเพ่งไว้เฉยๆไม่ได้อะไร นั่งเพ่งไว้ทุกทรมนานแบบเราพยายามมีสติรู้กายรู้ใจถึงเวลาทาความสงบไม่ใช่ไม่ทำเลยแต่ทำความสงบต้องมีสติเช่นทำสมาธิทำสมาธิาธาหายใจหายใจออกหายใจเข้าอะไรเนะี่ยหายใจต้องมีสติอย่าไปเริ่มต้นหายใจให้เคลิมเคลิมพยายามรู้เนื้อรู้ตัวไว้หายใจไปรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วมีสติอะไรเงี้ย หรือพุโทโธไปพุโทโธแล้วก็คอยรู้ตัวไปพุโทโธแล้วใจไหลไปคิดแล้วรู้พุโทโธใจไหลไปคิดแล้วรู้ค่อยๆสังเกตไปฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติไปสติเราเร็วมากเลยไหวแวบบจิตไหวแวบบสติเกิดเองสติเกิดเองบ่อยๆใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแลคราวนี้พอสติราลึกลงในกายจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราสติเราลึกลงในจิตจเห็นจิตไม่ใช่เราจะเห็นไม่มีเราตรงไหนเลยไม่ยากคร่าที่คิดหรอกเอาใครขาสติยกมือนึกออกไหมทําไมตะกี้หลวงพ่อถามว่าใครขาสติเมื่อกี้พวกเราเกือบทั้งห้องเลยหลงไปอยู่ในความคิด หลงไปอยู่ในความคิดนะเน่ะเพลินๆไปเนี่ยเราคอยรู้ทันนะใจหลงไปไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปดูรู้ทันใจไหลไปฟังรู้ทันคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆการปฏิบัติจะไม่ยากอะไระเวลาคนมันหลงก็ดูง่ายๆนะเวลาคนหลงเนี่ยไม่ต้องไปดูจิต ด, ดูใจดูหน้ามันก็ดูแล้ว <laughs> หรือเวลาคนเป็นเพ่งพวกเราดูออกไหมโธง่ายอย่าตายไปไม่ต้องไปดูให้ถึงจิตถึงใจอะไรหรอกนะใครรู้สึกนะรู้สึกใครรู้ตัวเองเราดูคนอื่นง่ายมห็นไหมาโ ม, โมโหเราเห็นนะแต่เราโ ม, โมโหเราไม่ค่อยยอมดูจริงจริงง่ายนิดเดียวโ ม, โมโหขึ้นมนก็ดูตัวเองเราเห็นได้คนนี้นะมันบ้าผู้หญิงโอ้มันวิ่งตามผู้หญิงทั้งวันเลย ส่วนเราไปวิ่งตามมันอีกทีงไปดูมันบ้าผู้หญิงเราไม่ดูตัวเองเนเห็นแต่คนอื่นไม่ดีออง่ายจะตายไปนะย้อนมาดูตัวเองไหมย้อนมาดูตัวเองเห็นกิเลสคนอื่นก็อย่างนั้นๆนะย้อนมาดูกิเลสตัวเราเองไหมและจะรู้เลยว่าการปฏิบัติมันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสนะกิเลสก็กระเด็นออกจากใจเราใจเราก็าสว่างขึ้นมา คนที่เรีนกับหลวงพ่อสักเดือนหนึ่งก็ทําตรงนี้ได้แนละ้วไม่ยากอะไรเลยโถชีวิตใจิตใจก็เปลี่ยนเห็นเห็นเลยเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นๆเคยรู้สึกว่าไม่มีกิเลสเลยก็เห็นว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยนางมารร้ายอยู่ที่นี่เองรู้สึกไหมใครรู้สึกเห็นกิเลสเกิดได้ทั้งวันยังถ้าภาวนาเป็นเห็นว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยเราไม่ใช่คนดีเท่าที่เราคิดหรอก แต่ยิ่งเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นในใจเท่าไหร่นะใจเราถูกกิเลสครอบงำน้อยลงน้อยลงคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเขารู้สึกเราจะรู้สึกว่าเราทำไมกิเลสเยอะแต่คนรอบๆตัวเราเขาจะรู้สึกว่าเราดีขึ้นเมื่อก่อนเคยจู้จี้ขี้บ่นโมโหโทโสนะใจก็พ่อยร่มเย็นขึ้นนี่เราฝึกรู้ทันกิเลสในใจของเราในเห็นกิเลสเยอะแยะยิ่งเห็นมาก ชีวิต จ, จิตใจ ย, ยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะกิเลสคข้บงํำใจไม่ได้กิเลสเล่นทีเผลองั้นเราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจนะรู้มากๆก็จะรู้ต้นต่อของมันด้วยต้นต่อของมันกลางกลางระดับกลางๆลก็เราหลงไปก่อนต้องหลงไปก่อนความโลบความโกรธมันถึงจะเกิดพอหลงไปก็ไปคิดนะคิดเรื่องนี้คิดในทางไม่ดี โทสะก็เกิดคิดไปในทางบวกทางดีนะราค้าก็เกิดอะไรเงี้ยคนนี้เขาสวยนะเขาดีนะนึงราค้าเขาเกิดนะภาวนามากกว่านั้นนะไปถึงต้นต่อถึงรักแก้วของมันเรายังเห็นกายนี้ชานี้เป็นตัวเราอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งตัวนี้ถ้ายังไม่ทําลายออกไปนะอย่ารู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง ถ้าตัวนี้ยังไม่ทำลายออกไปเรียกว่ายังไม่ได้ธรรมะเลยถ้าดูลงไปจนจิตมันเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่กายกับใจแต่ตัวเราไม่มีกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราอันนี้เป็นพระโสดาบันนะเฝ้ารู้ลงไปอีกกายนี่ทุกข์ใจนี่ทุกข์มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจก็เป็นพระอราหารันต์ พวกเราสังเกตไหมพวกเรายิ่งภาวนาเรายิ่งเห็นทุกข์เยอะขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมตอนหัดทีแรกรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกมีความสุขนึกออกไหมทุกวันนี้ยิ่งดูยิ่งทุกข์รู้สึกไหมฝึกมาช่วงหนึ่งจะดูไปนละสุดท้ายจะเหลือแต่ทุกข์ล้นๆ้นเลยแต่การที่เราหัดเจริญสติมาเรื่อยๆนะทีแรกเรามีความสุขนะใจเผลอไปพอรู้แนละ้าใจก็ตื่นสว่างบางคนสว่างว่าเพิ่มขึ้นใจน่ะโล่งสบาย ฝึกไปฝึกไปฝึกไปนะเหลือแต่ทุกข์ล้วนๆเลยใครเริ่มเห็นทุกข์เยอะแยะขึ้นมามีไหมฝึกแล้วก็เหลือแต่ทุกข์นะไม่ใช่ฝึกแล้วมีสุขหรอกเบื้องต้นหรอกที่เคยขาดสติตลอดเวลาพอมีสติแล้วมีความสุขเบื้องต้นหรอกที่เคยฟุ้งซ่านตลอดเวลาพจิตสงบแล้วมีความสุขตอนต้นๆหรอกที่ว่าเกิดความรู้ความเห็นอะไรใหม่ๆในการปฏิบัติ ก็มีความสุขมีความสุขไม่เกินเจวันเวลาเกิดปัญญาแต่ละครั้งขึ้นมาเช่นอาบน้ําอยู่ปุ๊บเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาแว บ, บหนึ่งนะั้นโอ้จิตใจจะมีความสุขอยู่หลายวันแต่ไม่นานเดี๋ยวก็หายไปอีกหัดเบื้องต้นนะมีสติก็มีความสุขมีสมาธิก็มีความสุขมีปัญญาก็มีความสุขจนสติมันทํางานบ่อยนะอัตโนมัติขึ้นมาแต่เดิมเห็นความสุขโผล่ขึ้นมาแล้วหายไปโผล่แล้วหายไปต่อไปไม่ใช่อย่างนั้น ภานาไปถึงจุดหนึ่งนะพอสติปัญญามันอัตโนมัติเนี่ยจะเห็นเลยโผล่มาทีไรทุกทุกทีเลยกระทั่งความสุขก็เป็นความทุกข์ความสุขก็เป็นความทุกข์นะมันเป็นสิ่งที่เสียแทงใจเหมือนกันความสุขก็ทําให้จิตใจเสียสมดุลความทุกข์ก็ทําให้ใจเสียสมดุลฝึกไปฝึกไปเห็นมีแต่ทุกข์กายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์จะทําอะไรอะไรก็ทุกข์นะตรงไหนตรงไหนก็ทุกข์หมดเลย ทุกทุกขนทุกทุกแห่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดเลยทุกจนเบื่อนายขอไม่ดูขอไม่ดูดีกว่ากลับไปเป็นคนบ้าๆแบบเดิมดีกว่าสบายดนะีจิตก็ไม่ยอมนะอย่านึกนาว่าจะสุขนะไม่ใช่เวลาที่จะมีความสุขตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราพัฒนามีสติมีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมานะ จะเห็นเลยมันมีแต่ทุกข์ทุกทั้งวันทุกทั้งคืนหลับก็ทุกข์ตื่นก็ทุกข์สมัยภาวนาไม่เป็นนะไป น, นอนหลับก็ว่ามีความสุขนะตอนนี้ภาวนาเป็นจํานวนมากแล้วรู้สึกไม่หลับเพราะไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนละแล้วสุขอยู่ที่ไหนสุขหายไปแล้วในความเป็นจริงความสุขเป็นภาพลวงตาในความเป็นจริงโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนหลงหลอกมันมองไม่เห็นความทุกข์ กิเลสตัวหนึ่งนะมันหล อ, อกลวงกิเลสมันหล อ, อกลวงตัณหาพาให้เราไปเห็นว่าอย่างน้นสิแล้วจะสุขอย่างงี้สิแล้วจะสุกมันหล อ, อกให้เราอยากไปเรื่อยๆหล อ, อกให้เราดิ้นไปเรื่อยๆไปดิ้นดินไปนะตัณหามันหล อ, อกมีแฟนสิเราจะสุขมีแล้วไม่สุขอ่ะมันสอนต่อต้องมีเมียถึงจะสุขเนี่ยมีเมียแล้วไม่สุขอ่ะต้องมีใหม่แล้วสุขเนี่ยมันี่สอนเราไปเรื่อยๆนะ ผักดันเราไปเรื่อๆโอ้มันขับมันผลักดันนะเป็นแรงผลักบีบคั้นอยู่ตลอดวันตลอดคืนเลยกิเลสตัณหานะโอ้สัตรูร้ายของความสงบสุขในชีวิตเลยนี่ใจิตใจเรายังไม่มีสติปัญญาพอจะทําลายลากแก้วของมันกิเลสตัณหาเกิดทั้งวันเลยแต่ก่อนมันเกิดขึ้นมานะเราเราสนองกิเลสไปเรื่อยเราไม่รู้หรอกว่ากิเลสตัณหาทําความทุกข์ให้ตอนนี้เรามีสติมีปัญญาขึ้นมาเราแค่เห็นเลย แค่ใจอยากขึ้นมาก็ทุกข์ละใจมีความอยากขึ้นมาก็ทุกข์ลวรู้สึกไหมใจถูกบีบคั้นตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนมีแต่บีบคั้นนะไม่รู้จะสุขตรงไหนไปนอนหลับมันยังไม่หลับดีเลยร่างกายหลับนะกลอนคลอกๆเลยจิตนั่นตื่นขึ้ น, นมามองเห็นกายนอนหน้าอเนตอานาดเห็นร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์เกิดจิตเองพอมีสติที ท, ทีขึ้นมานะเห็นทุกอย่างหมุนเวีย น, เ ป, น, เ, ปนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มันไม่ใช่สุขบ้างทุกบ้างแนละ้วมันจะกลายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยทุกอย่างเกิดขึ้นมาล้วนแต่บีบคั้นทั้งนั้นเลยเป็นความบีบคั้นทั้งสิ้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเลยนี่เห็นอย่างนี้นะเห็นมากมากมากเข้าถึงจุดหนึ่งนะมันไม่รู้จะไปทางไหนล้วจนมุมเลยจะไปอยู่ตามวัดภาวนาหวังว่าจะมีความสุขก็ไม่มีเพราะไปที่ไหนนะก็เอากายเอาใจไปด้วยกายกับใจมันตัวทุกข์อะไปไหนก็เอาทุกข์ไปด้วยมไม่มีที่หนีเลย เข้าสมาธิเข้าไปเลิกเลยสบายสบายเผลอเเพลิเลเลเลนเพลนนะเข้าไม่นานนะสติปัญญาทํางานขึ้นมาถอนออกมาอีกเห็นเลยสมาธิก็เป็นภพอีกอันหนึ่งไปเข้าฌานอยู่เป็นภพอีกอันหนึ่งก็ทุกอีกนะอยู่ได้ชั่วคราวก็ถอนออกมาอีกแล้วเนี่ยฝึกจนกระทั่งครูบาอาจารย์ท่านใช้บอกสามแดนโล ก, กาธาตุเนี่ยหาที่จะหย่่งเท้าลงไปด้วยความสุขไม่ได้เลยแล้วทํำยังไงทําไงดีถึงจะพ้นจากความทุกข์ไม่มีทางทําเลย ขอเลิกไม่ดูได้ไหมเลิกก็ไม่ได้อีกสติปัญญามันอัตโนมัตินะหมุนจีอยู่ยางนั้นทั้งวันทั้งคืนนะเห็นจิตนะหมุนติ้วติ้วตวิจับอารมโน้นจับอารมนี้ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเวียงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหมุนจีจีจีข้างในก็หมุนอยู่ตลอดมีแต่ทุกข์ล้วนเกิดขึ้นนี่เห็นอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งที่จิตมันพอนนะจิตมันจนมุมแนละ้วมันไม่รู้จะหาทางออกอยังไงอีกต่อไปแล้ว ว่าไม่ว่าทําอะไรก็ทุกหมดเลยไม่มีทางหนีจากความทุกข์ได้เลยพอจิตยอมจานนกับความทุกข์จิตยอมรับความจริงเรียกคล้อยตามความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่าจิตมันคล้อยตามอริยสัจละคล้อยตามความจริงนะจิตเก็หมดการดิ้นรนเลยเมื่อจิตมันหมดความดิ้นรนนะมันยอมรับความจริงแล้วมีแต่ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนๆ จิตยอมรับความจริงแล้วจิตจะสลัดตัวเองออกจากกองทุกข์ตรงนี้มันสลัดของมันเองจะพ้นออกไปเองเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่อัศจรรยนะ์เราดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์แทบตายก็ไม่พ้นออกแต่ว่าพอจิตมันเยียนทุกเต็มที่นะมันรู้เต็มที่แล้วจนกระทั่งมันรู้แล้วไม่มีทางหนีแนละ้มันยอมจํานวนกับความทุกขนะ์แล้วหมดสติหมดปัญญาที่จะแก้ไขให้พ้นจากความทุกขนะ์แล้ว ลหลังชนกำแพงถูกผู้ไร้าห้าตัวถือมีดมาไลา่จี้มเมาจี้มเมาห้าตัวคือมารทั้งห้าตัวไนะล่จิ้มเมาจิ้มเมาหลังชนกำแพงรอบนี้ตายแน่อย่างนี้จิตถึงจะยอมปล่อยวางโอ้กายนี้ใจนี้มีแต่ถูกข์ล้วนๆบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะหนีมันก็ไม่ได้เห็นไหมเอาไว้ก็ไม่ดีให็นไหมหนีไปก็ไม่ได้ จิตยอมรับตรงเนี้ยจิตเป็นกลางเลยยอมรับความจริงจิตี่ยเป็นกลางแล้วมันยอมรับความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ทุกข์นะก็ยอมรับเหมันความจริงรู้เลยหนีก็ไม่ได้นะสู้ก็ไม่ได้ทําไงก็ไม่พ้นตรงเนี้จิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปะเป็นภาวะที่พวกเรานึกไม่ถึงคิดด้วยคําพูดไม่ได้นึกเอาไม่ได้ต้องฝึกเอา เราจะรู้เลยวความพ้นทุกข์มีจริงๆฝึกเอานะฝึกเอาภาวนาไปเอาตัวให้รอดก่อนนะช่วยตัวเองให้ได้ก่อนเราจะรู้ว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์เลยเรามอบกายถวายชีวิตให้ท่านได้เลยนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรยิ่งกว่าอัจฉริยะนะอัจฉริยะไม่เห็นมันพ้นทุกข์สักคนเลย ท่านคนพบเส้นทางของธรร ม, มานี้มาได้ยังไงอศัศจรรย์ไม่สู้ไม่หนีนะรู้เอารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยเบื้องต้นนะมีสติแล้วมีความสุขมีสมาธิมีความสุขมีปัญญานิดๆหน่อยๆมีความสุขแนละ้เรื่องปลายฝึกไปเรื่อยโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขเป็นเรื่องแปลกนะไม่ใช่ว่าเห็นทุกข์มากๆแล้วทุรนทุรายชีวิตย่ำแย่ลงนะ อย่าไปตกใจบางคนมาใหม่ๆโอตายแล้วเรียนกับหลวงพ่อประมวนแล้วสุดท้ายเห็นแต่ทุกข์แย่แล้ววะเราก็ทุกข์แก่แย่อยู่แล้วนะอุตสามาวัดจะมาหาทางค้นทุกข์มาสอนเราเรามาหลอกเราให้มีความสุขในเบื้องต้นพอฝึกไปเรื่อยๆทุกข์หนักกว่าเก่าอีกอย่านีไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างที่ตกใจหรอกยิ่งเห็นทุกข์เท่าไหร่นะจิตใจยิ่งรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นยิ่งสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้น ถรู้ทุกข์แก่แจ้งเมื่อไหร่นะมันจะสะาดคืนกายคืนใจให้โล่งคือทิ้งตัวทุกข์ไปเลยพ้นทุกข์ไปเลยนี่เป็นวิธีที่จะพ้นทุกข์ด้วยการเรียนรู้ทุกข์คนในโลกอยากพ้นทุกข์นะด้วยการสนองกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆไม่พ้นหอกมีแต่ความทุกข์มีแต่ความบีบคั้นไปเรื่อยๆเพรฉนพวกเราภาวนามาช่วงหนึ่งจะเห็นโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยโลกนี้น่าเบื่อน่าเอื่อมระอา ถามว่าหน้าเบื่อหน้าเอือมระอาแล้วหนีได้ไหมหนีไม่ได้หนีไม่ได้นะประเภทหลังชนกาแพงลนะหลวงพ่อเคยเป็นช่วงหนึ่งติมันวยมากเลยทั้งวันทั้งคืนนะโอ้ยเหนื่อยแสนสาหัสเลยรูปหน้าอกเลยนะได้โปรดเถ้าพุทขาสติบ้างเถอะ <c oughs> ขอไปดูหนังอะไรให้มันเพลินเลินไม่รู้กายไม่รู้ใจเลยนะมีเดือดรุงนั้นเลยนะมันไม่ยอมนะฝึกสติของเราไปเรืยถึงจุดหนึ่ง มันเกิดสติอัตโนมัติอย่างพวกเราตอนนี้มันเกิดหลงอัตโนมัติมันหลงอัตโนมัตินั่นแต่เราหัดเจริญสตีไปเรื่อยถ้าไปมันเกิดสติอัตโนมัติอยากหลงมันไม่ค่อยยอมหลงน้ําหลงแวบมันก็รู้สึกแวบมันก็รู้สึกถึงจุดนั้นน่าจะเห็นแต่ทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปยิ่งเห็นทุกยิ่งมีความสุขรู้ทุกแจ่มแจ้งก็รู้ธรรม จิตจะเข้าถึงทำจิตจะทิ้งทุกไปทิ้งของเขาเองไม่มีใครสั่งจิตให้ทิ้งได้หรอกให้ฝึกเอาใจเราจะค่อยเข้าถึงความสุขโป่งโล่งเบาพ้นจากสิ่งที่มาปรุงแต่งเป็นลําดับลําดับไปยิ่งฉลาดเท่าไหร่นะกิเลสครอบงําไม่ได้ฉลาดในทางธรรมนะฉลาดในทางโลกไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ก็ดีแต่อยู่แต่โลกบางคนฉลาดในทางโลกในโง่ในทางธรรมเก่งเป็นดอกต้องด็อกเตอร์ก็ยังทุกอยู่นะ เราภาวนารู้กายรู้ใจของเราไปรู้ซื่อๆนี่แหละมีความสุขไปะคนมาใหม่ภาวนาไปนะแล้วจะมีความสุขเพราะที่เรียนมาช่วงหนึ่งภาวนาไปนะแล้วจะเห็นทุกข์นะจะเห็นทุกข์นะนั้นธรรมามีหลายระดับคนมาใหม่ๆนะก็คล้ายๆกินยาที่ต้องใส่แคปซูลเอาน้ําตาลเคลือบไว้หน่อยโอ้มีความสุขนะ พวกที่ฝึกจนสติมันอัตโนมัติขึ้นมาอย่างพวกเราจำนวนมากตอนนี้สตีมทำงานเองแล้วไวแปบๆขึ้นมาสตีมรู้สึกเองนลต่อไปนี้จะเห็นจะทุกข์นะอย่าตกใจยิ่งเห็นทุกข์เท่าไหร่ยิ่งไกลทุกข์ขึ้นเท่านั้นแหละใจมันจะพ้นไปพ้นไปอ่ะแปดโมงพอดีเชิญไปบาบัดความทุกข์ด้วยการกินข้าวออกไปนี่มดเลยครับหมด